เพื่อให้มองเห็นเนื้อความชัดเจนยิ่งขึ้นขอยกคำบาลีที่สำคัญมาแปลและแสดงความหมายไว้โดยย่อดังนี้กาเยกาญานุปัตสีแปลว่าพิจารณาเห็นกายในกายนี้เป็นคำแปลตามแบบที่คุ้นคุ้นกันซึ่งต้องระวังความเข้าใจไม่ให้เขวแต่ก็พึงเห็นใจท่านที่พยายามแปลกันมาเพราะบางคำบางข้อความนั้น จะหาถ้าอยคาที่สื่อความหมายให้ตรงและชัดได้แสนยากความหมายของข้อความนี้ก็คือมองเห็นโดยรู้เข้าใจทันความจริงทุกขณะหรือตลอดเวลาเห็นกายในกายคือมองเห็นในกายว่าเป็นกายหมายความว่ามองเห็นกายตามสภาวะซึ่งเป็นที่ประชุมหรือประกอบกันเข้าแห่งส่วนประกอบคืออวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเห็นตรงความจริงและ เห็นแค่ที่เป็นจริงไม่ใช่มองเห็นกายเป็นเขาเป็นเราเป็นนายนั่นนางนี่เป็นของฉันเป็นคนนั้นคนนี้หรือในผมในขนในหน้าตาเห็นเป็นชายนั้นหญิงนี้เป็นต้นแป็นั้นว่าเห็นตรงตามความจริงตรงตามสภาวะให้สิ่งที่ดูตรงกันกับสิ่งที่เห็นคือดูกายก็เห็นกายไม่ใช่ดูกาย ไพร่ไปเห็นในกอบ้างดูกายไพร่ไปเห็นคนช่างบ้างดูกายไพร่เห็นเป็นของชอบอยากชมบ้างเป็นต้นเข้ากติคำของโบราณอาจารย์ว่าสิ่งที่ดูมองไม่เห็นไพร่ไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูเมื่อไม่เห็นก็หลงติดกับเมื่อติดอยู่ก็พ้นไปไม่ได้ข้อความว่ากายในกายนี้อัรธกถาอธิบายไวถึงสี่ห้าไ โดยเฉพาะชี้ถึงความมุ่งหมายเช่นให้กำหนดโดยไม่สับสนกันคือตามดูกายในกายไม่ใช่ตามดูเวทนาหรือติดหรือธรรมในกายอีกอย่างหนึ่งว่าตามดูกายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่คือตามดูกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนในกายที่เป็นส่วนรวมนั้นเป็นการแยกออกดูไปทีละอย่างจนมองเห็นว่าทั้งหมดนั้นนอกจากเป็นที่รวมของส่วนประกอบย่อยๆลงไป ไม่มีในกอหนังขอเป็นต้นเป็นการวิเคราะห์หน่วยรวมออกหรือคลี่คลายความเป็นกลุ่มก้อนเหมือนกับลอกใบกล้วยและกาบกล้วยออกจากต้นกล้วยจนไม่เห็นมีต้นกล้วยดังนี้เป็นต้นเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็พึงเข้าใจทำหนองเดียวกันอาตาปีสัมปชานุสติมาแปลว่า มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติได้แก่มีสัมมาวายามะสัมมาทิฏฐิและสัมมาสติซึ่งเป็นองค์มรรคประจำสมข้อที่ต้องใช้ควบไปด้วยกันเสมอในการเจริญองค์มรรคทั้งหลายทุกข้อความเพียรคอยหนุนเร้าจิตไม่ให้ย่อท้อหดหูไม่ให้เรีรอล้าหรือถอยหลังจึงไม่เปิดช่องให้อคติสาธรรมเกิดขึ้น แต่เป็นแรงเร่งให้จิตเดินรถหน้าไปหนุนให้กุศลธรรมต่างๆเจริญยิ่งขึ้นสัมพัจัญญะคือปัญญาที่พิจารณาและรู้เท่าทันอารมณ์ที่สติกำหนดทำให้ไม่ลหลงไหลไปได้และเข้าใจถูกต้องตามสภาวะที่เป็นจริงสติคือการกำหนดหมายตัวคอยจับอารมณ์ไว้ทำให้ตามทันทุกขณะไม่ลืมเลือนเละพลาดสับสน วินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังแปลอย่างสำนวนกล่าวว่ากําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้คือปลอดไร้ความยินดียินร้ายชอบชังหมายความว่าเมื่อปฏิบัติเช่นนี้จิตใจก็จะปลอดโปร่งผ่องใสไม่มีทั้งความติดใจอยากได้และความขัดใจเสียใจเข้ามาครอบงารบกวน อติกายติวาปนัสติปัจจุปัตถิตาโหติยาวเทวยานมัตตายะปฏิติสติมัตตายะแปลว่าเธอมีสติดำรงตรงหน้าหรือมีสติพร้อมหน้ากับความรู้ว่ากายมีอยู่หรือว่ามีกายเป็นกายเพียงเพื่อเป็นความรู้และแค่สําหรับระลึกเท่านั้นคือมีสติตรงชัด ต่อความจริงแค่ที่ว่ามีกายเป็นกายไม่ใช่เลยไปเป็นสัตว์บุคคลหญิงชายตัวตนของตนของเขาของใครเป็นต้นทั้งนี้เพียงเพื่อเป็นความรู้และสําหรับใช้ระลึกคือเพื่อจเจริญสติสัมปชัญญะหรือเพื่อให้สติปัญญาจเจริญเพิ่มพูนไม่ใช่เพื่อจะคิดฟุ้งเฟ้อละเมอฝันปรุงแต่งฟ้ามฝืนไป แม้ในเวทนาจิตและธรรมก็พึงเข้าใจอย่างเดียวกันนี้อณิสติโตจะวิหารติแปลว่าและเธอเป็นอยู่ไม่อิงอาศัยคือมีจิตใจเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อสิ่งใดไม่ต้องเอาใจไปฝากไว้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นต้นว่าตามหลักคือ ไม่ต้องเอาตันหาและทิฏฐิเป็นที่อิงอาศัยหรือไม่ต้องขึ้นต่อตันหาและทิฏฐินั้นเช่นเมื่อรับรู้ประสบการณ์ต่างๆก็รับรู้โดยตรงตามที่สิ่งนั้นๆเป็นอยู่ไม่ต้องอาศัยตันหาและทิฏฐิมาช่วยวาดภาพระบายสีเสริมแต่งและกล่อมให้เคลิมไปต่างๆโดยฝากความนึกคิดจินตนาการและสุขทุกข์ไว้กับตันหาและทิฏฐินั้นเป็นตน้น น่าจักกินจิตโลเกอุปาทิยติแปลว่าอีกทั้งไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกคือไม่ยึดติดถือมั่นสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณว่าเป็นอัตตาหรืออัตตนิยาเช่นว่าเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นตน้น ปัดชัดตังวาพริตาวาแปลว่าภายในบ้างภายนอกบ้างข้อความนี้อาจารย์หลายท่านอธิบายกันไปต่างๆแต่มติของอัตถกถาทั้งหลายลงกันว่าภายในหมายถึงของตนเองภายนอกคือของผู้อื่นมติของอัตถกถานี้สอดคล้องกับบาลีแห่งพระอภิธรรมปิฎกซึ่งขยายความไว้ชัดแจ้ง เช่นว่าภิกษุตามเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่อย่างไรในข้อนี้ภิกษุเมื่อจิตของผู้นั้นมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตของผู้นั้นมีราคะพึ่งสังเกตว่าบาลีแสดงการรู้จิตบุคคลอื่นด้วยเจโตปริยญาณก็มีข้อความบรรยายอาการของจิตตรงกับกรณีนี้ในสติปัฏฐาน บางท่านอาจสงสัยว่าควรหรือที่จะเที่ยวสอดแทรกตามสืบดูความเป็นไปในกายใจของคนอื่นและจะรู้ตามเป็นจริงได้อย่างไรเรื่องนี้ขอให้เข้าใจเพียงง่ายๆว่าท่านมุ่งให้เราใช้สติกับสิ่งทั้งหลายทุกอย่างที่เราก็าไปเกี่ยวข้องและรู้เท่าทันแค่ที่มันเป็นเป็นการแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันเราจะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่น เมื่อเราเกี่ยวข้องกับเขาก็พึงเกี่ยวข้องโดยมีสติรู้เขาตามที่เขาเป็นและตามที่ประจักษ์แกเราเท่านั้นคือรู้ตรงไปตรงมาแค่ที่รู้เห็นเกี่ยวข้องแค่ไหนก็แค่นั้นถ้ามีญาณอย่างรู้จิตใจของเขาก็รู้ตรงไปตรงมาเท่าที่ญาณ น, นั้นรู้ถ้าไม่มีญาณก็ไม่ต้องไปสอดรู้จะได้ไม่คิดปรุงแต่งวุ่นวายไปเกี่ยวกับคนอื่น ทำให้เกิดราคะบ้างโทสะบ้างเป็นต้นถ้าไม่รู้หรือไม่ได้เกี่ยวข้องก็แล้วไปม่ได้หมายความว่าจะให้คอยสืบสอดตามดูพฤติการทางกายใจของผู้อื่นแต่ประการใดในทางตรงข้ามเวลาไปพูดกับคนอื่นเขามีอาการโกรธก็ไม่รู้ว่าเขาโกรธและจะมาบอกว่าปฏิบัติสติปัฏฐานได้อย่างไรและสติปัฏฐานจะใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร อาจพูดสรุปได้แนวหนึ่งว่าการเจริญสติปัฏฐานคือการเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งทำให้ภาพตัวตนที่จิตอวิชชาปั้นแต่งไม่มีช่องที่จะแทรกตัวเข้ามาในความคิดแล้วก่อปัญหาขึ้นได้